เราภาวนาเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเราวงเล็บเปิดยี่สิหกกุมภาพันสองพันห้าห้าสิบสในวงเล็บสองวงเล็บปิดเราภาวนาเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราอย่าพลาดจากหลักนี้นะจับให้แม่นที่เราภาวนากันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อถอดถอนความเห็นผิดทําลายความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเราดูลงไป กายมันทำงานไปใจมันทำงานไปดูไปดูไปจนเห็นเลยมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่เราหรอกคอยดูไปอย่างนั้นฉะนั้นไม่ใช่ทำอย่างอื่นส่วนใหญ่ชอบไปทำอย่างอื่นแล้วก็ชอบมาบ่นว่าปฏิบัติหลายปีไม่บรรลุมรรคผลพระโสดาบันที่บรรลุมรรคผลนะเป็นโสดาบันก็เพราะท่านเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่ได้เห็นเรื่องอื่น ฉะนั้นเราดูลงไปกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราอย่างนี้ได้โสดาแล้วก็หัดภาวนารู้กายรู้ใจต่อไปอีกจนรู้อริยสัจเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถ้ารู้แจ้งอริยสัจแล้วก็ข้ามภพข้ามชาติแล้วอวิชชาถูกทำลายไปความปรุงแต่งของจิตจะไม่มีอีกแล้วยังคิดยังนึกยังปรุงยังแต่งนะแต่จิตนะ่ะไม่มีอะไรเลยของเราเวลาคิดนึกปรุงแต่งเราจะสร้างอิมเมจ ในวงเล็บมโนภาพขึ้นในใจสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาอย่างพระอาหารหันต์คิดแล้วคิดอยู่ในความว่างคิดออกมาเป็นความว่างคิดแล้วไม่มีอะไรก็คิดว่างๆธาตุาขันมันก็คิดไปทำงานไปตามปกติแต่ว่าว่างๆไม่มีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาในจิตใจไม่มีอะไรย้อมใจหลักให้แม่น